พระธรรมเทศนาแผ่นที่69าลำดับที่9โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่23่กุมภาพันธ์2558บมีชื่อเรื่องว่าส่งบุญให้ผู้หมดโอกาส วันนี้เป็นวันที่23กุมภาพันธ์พุทธศักราช2558เมื่อวานงานของเราหลวงพ่อเองประกาศมาได้สองสามวันแล้วว่าจะมีงานทาบุญอุทิศสวนกุศลต่อผู้มีอุปกา ร, ระคุณของวัดเรา แต่เมื่อวานได้พูดเกี่ยวกับผลของงานแต่วันนี้หลวงพ่ออีกจะย้ำอีกส่วนหนึ่งเอกว่าการทำบุญเป็นหน้าที่ของพวกเราแต่อันนั้นเป็นอดีตเป็นอดีตที่ผ่านมาว่าผู้ที่ร่วงรับดับขันไปวิญญาณของท่านหรือดวงใจของท่านเหล่านั้น ไปอยู่น่าจะานที่ใดเพราะว่าในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาท่านบอกว่าตายแล้วเกิดอีกตายแล้วไม่สูญแต่พวกเราท่านทั้งหลายถ้าพูดขึ้นมาคำนี้พวกเราก็สงสัยในใจทันทีเพราะว่าคนเราเกิดแก่เกิดมาแล้วแก่เจ็บตายอันนี้พวกเราไม่สงสัยเพราะเห็นเห็นกันอยู่ แต่พอตายแล้วเกิดเนี่ยสงสัยเพราะเหตุอะไรเพราะไม่มีหลักฐานอะไรยืนยันแต่ในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าแล้วท่านบอกว่าตายแล้วเกิดแน่นอนเพราะสิ่งแท้เกิดคือนามธรรมดวงใจใจผู้รู้ตัวนึกคิดนั่นแหะจะพาไปเกิดอันนี้ก็คือหลักของพุทธศาสนา แต่เราไม่ต้องพูดถึงศาสนาอื่นๆและไม่ความคิดอื่นๆเพราะเราอยู่ในพุทธศาสนาเราเป็นสาวกหรือว่าเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าอุบาสกอุบาสิกาของพระพุทธเจ้าเราต้องพูดเรื่องของพระพุทธศาสนาเพราะพระพุทธเจ้าได้พิสูจน์ดูแล้ว ที่ออกจากเวียงวังของพระ อ, องค์ไปพิสูจน์ตามลำพังจนแน่ใจแน่พระไทยว่าตายและเกิดแน่นอนจากนั้นท่านก็ได้เป็นพระธรรมคำสอนออกมาตั้งแต่ 2,558 ปีให้หลังจนมาถึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราที่หลวงปู่ต่างๆที่พวกเราให้ความเคารพนับถือ เรื่มใส่ท่านก็ได้นํำทำคําสอนของพระพุธทธเจ้านํนามาประพฤติปฏิบัติท่านก็มั่นใจในเมื่อมั่นใจท่านก็สอนให้พวกเราท่านทั้งหลายแต่สําหรับหลวงพ่อเองที่หลวงพ่อได้รับทำคําสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงพ่อเองก็มั่นใจอีกเหมือนกันเพราะว่า เราได้นำทมคำสอนออกมาประพฤติปฏิบัติเหมือนท่านบอกว่าจับว่าไฟไฟนะมันร้อนนะเราจับดูเราก็ร้อนรู้อะไร่ว่ามันร้อนจับไฟนี้ก็เหมือนกันถ้าเราอยากจะรู้เรื่องตายแล้วเกิดแล้วตายแล้วสูญให้นั่งภาวนานะท่านก็สอนถ้าเมื่อจิตสงบแล้วท่านจะรู้ได้ด้วยตนเองว่าตายแล้วเกิดแล้วตายแล้วสูญอันไหนเกิดอันไหนตาย เราก็จะรู้ได้ว่าที่ไม่ตายที่ไม่สูญนั่นก็คือใจคือนามธรรมจุดนั้นที่ไม่ตายที่นำไปเกิดอีกเพราะนั้นในเมื่อเราได้ศึกษาได้ปฏิบัติได้รู้ตามแนวแถวของพุท ธ, ธะแล้วตามแนวแถวที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์พาดำเนินมาแล้วนะเราก็มั่นใจมั่นใจเพราะนั้นใคร ถ้ายังไม่เชื่อก็ให้ทดลองดูนั่งกัดสมาทิย่างพระประทานพอนั่งแล้วกับกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกเมื่อเราจิตสงบแล้วเราจะรู้ได้ด้วยตนเองไม่ต้องถามใครใจกับกายกายกับใจโซเฟอร์กับรถรถกับโซเฟอร์มันคนละอันกันแน่ๆไม่ใช่อันเดียวกันนี่แหละในเมื่อเรารู้แล้วนเราก็จะได้ อย่างที่หลวงพ่อได้ปราลบว่าโซเฟอร์ออกจากรถคันนี้แล้วอาจเมื่อ ย, ยังมีชีวิตอยู่อาจจะหลงลืมเผลอไผลไม่ตั้งใจพอออกไปแล้วก็ได้รับความทุกข์ยากลำบากบางอย่างบางประการพวกเราที่อยู่เบื้องหลังก็ทำบุญอุทิศ ส, ส่วนกุศลคล้ายๆว่าหาทุนให้เพื่อจะให้ใส่มือของโซเฟอร์ที่สู่ปารโลกที หมดโอกาส เ, ออเพราะว่าในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธศาสนาตายแล้วไม่สูนตายแล้วไปเกิดในสิ่งในสถานที่ต่างๆไดออ้บางท่านก็ถ้าหมดกิเลสราคะโทสะโมหะอ น, นั้นไปสู่นิพพานถ้ายังมีกิเลสยังตัววิชาอยู่ไปเกิดเป็นพรหมสุทธาวาสถ้ายังมีกิเลสหนากว่านั้นขึ้นมาอีก ไปเกิดเป็นพรหมแล้วก็ไปเกิดอยู่บนสวรรค์ถ้าตำลงมาอีกมาเกิดเป็นมนุษย์มนุษย์ก็อย่างที่พวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นมีหลายระดับชั้นคนโง่คนฉลาดคนล่ำคนรวยสวยงามมั่งมีสีฉุกุกยากพิกงพิการมากมายในเพื่อนมนุษย์การล้วนแล้วแต่กรรมเป็นผู้จำแนกให้เกิดทากรรมชั่วกรรมชั่วก็ให้เกิด ไปในทางที่ชั่วทำกรรมดีกรรมดีกับส่งเสริมไปในทางผักดันไปในทางที่ดีเหมือนกับโลนคนเราถ้าเกิดมาขี้เกียจเรียนหนังสือขี้เกียจทำการทำงานคนนั้นบอกได้เลยว่าเกิดมาต้องทุกข์ยากลำบากแน่ๆแต่หากว่าผู้ใดขยัน ในการศึกษาฝ่ในการศึกษาในฝะ่ในการเรียนรู้ขยันท ร, รมหาเลี้ยงชีพมีปัญญาด้วยคนนั้นบอกได้เลยว่าผู้นี้จะต้องไปรอดเอาตัวรอดได้นี่แหละอันนี้คือบ่งบอกคือกรรมคือการกระทำในปัจจุบันก็บ่งบอกที่แล้วแต่กรรมในอดีตเข้ามาให้ผลอีกคนนั้นก็จะตกไปในที่ชั่วตกไปเกิด ไปเกิดเป็นสัตว์ที่ไรฉันานานาชนิดอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเห็นไม่รู้กี่อย่างจากนั้นก็ตกนรกอีกเป็นเปรตอีกอันนี้คือหลักธรรมคาสอนของพระพุทธศาสนาสรุปแล้วก็คือกรรมคือการกระทําทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วตัวเองนั่นแห ล, ละทำให้ตัวเองเพราะฉะนั้นขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่ถ้าเราเชื่อในธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเราต้องต้อง ต้องทำทำตวให้เป็นคนดีใชนไหม อ, อ, อย่าไปคิดว่าเมื่อเราเมื่อข้าตายไปแล้วจะให้ญาติพี่น้องลูกหลานบ่งสาคาญาติทําบุญุที่สวนกุศลให้เมื่อเรายังมีชีวิตอยู่สิ่งไหนที่จะเป็นประโยชน์สิ่งไหนที่จะเป็นคุณงามความดีจะรักษาศีลอย่างไงจะให้ทานอย่างไงจะภาวนาอย่างไง จะทำตนอย่างไรให้เป็นคนดีก็ให้ทาเอาในเมื่อตายไปแล้วนะไม่ต้องหวังพกพึ่งคนอื่นเขาอย่างองหลวงตามหาบัวนะท่านบอกได้ชัดเจนไม่รู้กี่ครั้งถูกกี่หนเมื่อเราตายไปแล้วไม่ต้องกุศลาให้เรานะไม่ต้องทำบุญให้เราเราทำเอาพอแล้วพอเพียงพอเพราะว่าเราทำเอาเองเราไม่ได้มุ่งหวัง พึ่งพาอาศัยใครอื่นนี่ลวลวงตาท่านพูดเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายที่ท่านพูดมีเหตุผลเพราะว่าเมื่อเรายังมีชีวิตอยู่เราก็ไม่เอาไหนขี้เกียจทะเลทะลายมีแต่เที่ยวมีแต่เตร่มีแต่ทำมาหากินอย่างอื่นไม่ได้ใส่ใจในกุศลศีลทาน พอตายไปแล้วอยากจะให้ลูกหลานทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้พวกเขาก่อนอ่ะเมื่อทําให้เขาก็ทะเลทะลายอีกเหมือนกันขนาดที่เอาเงินไว้ให้เขาเถอะเมื่อเรายังมีชีวิตอยู่เออเงินก้อนนี้หมื่นนี้แสนนี้เมื่อข้าตายไปแล้วทําบุญอุทิศทําบุญให้ข้านะนะอถึงจะสั่งขนาดนั้นก็เถอะเมื่อเราตายไปแล้วพราะเราไม่กล้าใช้เงินไม่กล้าทําบุญเอง จากนั้นเมื่อตายไปแนละ้วลูกหลานเขาทำเขาคงจะไปซื้อเล่ายาป้าปิ่งเ่าล้มมัวล้มควายอีกต่างหากาพงทางที่จะเป็นบุญกุศลให้กับตนเองเอกับเป็นบาปอากุศลเขา้เขาในงานศพของตนเองอีกเพราะฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเิ่งเหล่านี้พวกเราไม่ต้องมู่หวังเพิ่งไขเราบอกได้เลยว่า เมื่อข้าตายไปแล้วไม่ต้องนะข้าทำเขาเองเอาพอแล้วนะอย่างหลวงตาที่ท่านได้พนะูดขณาดที่เราใช้ให้เขาไปซื้อของยังตกตกหล่นหลนไม่ได้อย่างใจเงินยังเนี้ยเลี่ยราดอีกต่างหากตังยักยอออีกต่างหากเมื่อเราตายไปแล้วนะอยากจะให้คนอื่นทำให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยคงจะยากเหมือนกันนะเพราะนั้น การทำบุญทำทานการสั่งสมคุณงามความดีมิใช่ว่าเราจะมีตาทานอย่างเดียวไม่ใช่รักรักษาศีลก็ใช่ภาวนาก็ใช่ประกอบคุณงามความดีดอย่างอื่นมีมากมายถ้าเราได้สงเราได้ศึกษาในพระพุทธศาสนาคุณงามความดีในหลักของพุทธศาสนานนคืออะไรบ้างมีมากมายที่ประรมคำสอนที่ท่านบอกกล่าวเอาไว้ มิใช่จะให้ทานอย่างเดียวนะไหวพระสวดมนต์อ่อนน้อมทอมตนล้วนแล้วแต่เป็นคุณงามความดีแ่ความชั่วนั่นคืออะไรกนะ่อนท่านก็ที่บายไว้มากมายไม่รู้จักสูงไม่รู้จักต่ำไม่รู้จักสิ่งควรไม่ควรฆ่าสัตว์ตัดชีวิตลังแกเบียดเปลียนต้มตุนหลอกลวงคนอื่นความชั่วเสียหายทำให้คนอื่นเดือดร้อนอันนี้ล้วนแต่เป็นบาปเป็นกรรมทั้งนั้นวันนั้น ที่หลวงพ่อได้ประกาศวันสองวันให้หลังว่าให้พวกเราทำบุญอุทิศส่วนกุศลต่อผู้มีอุปกระคุณเอออันนั้นคือส่วนหนึ่งที่มันผ่านไปแล้วแต่ตามม่จริงพวกเราท่านทั้งหลายนะยังมีชีวิตอยู่เดียวนีนะ้ควรจะประกอบคุณงามความดีควรจะสั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตใจของตนเองให้เพียงพออย่างที่องค์หลวงตาพาดาเนิน นั้นขอฝากไว้กับคณะจัตใาญาติโยมลูกหลานทุกๆคนนะ เ, เราอยู่ในสถานะไหนจะตั้งอยู่ในความประมาท เ, เกิดแก่เจ็บตายตายแล้วไม่ศูนญตายแล้วเกิดอีกอตามหลักธรรมทำมีกิเลสนะถ้าหมดกิเลสแล้วไม่ไม่เกิดอีกทำทั้งยังมีกิเลสเกิดวันยังคำ่ำแต่เกิดแล้วจะไปที่ไหนอันนั้นเป็นคติไม่แน่นอนเพราะ กิเลสของเรากรรมของเรากรรมคือการกระทําของเราถ้าทํากรรมดีกรรมดีก็ไปในทางที่ดีถ้าทํากรรมชั่วกรรมชั่วก็ในไปในทางที่ไม่ดีนะกุศ ล, ลกรรมอกุศลกรรมอัพยกตาอัพยากตากรรมอัพยากต า, กรร า, กตาใครๆว่าเป็นกลางกลางนะกุศลธรรมมาจิตที่เป็นกุศล อกุศลธรรมมาจิตที่เป็นบาปอากุศลอัพพยาคตาธรรมมาจิตที่เป็นกลางๆงจิตที่เป็นจิตที่ไม่เป็นบาปจิตที่ไม่เป็นบุญจิตที่เป็นกลางๆจุดนี้น้อย น, ะน้อยมากสําหรับปุถุชนของพวกอย่างพวกเราเไม่สุดตรงขวาซ้ายกับสุดตรงขวานะไม่ไปมากก็ไม่ ไ, มไปไม่ไปน้อยไม่มากก่็ น, น้อย อ, อไม่ดีก็ชั่ว แต่ที่จิตที่เป็นกลางๆไม่ดีไม่ช่วนอยู่ในระดับน้อยมากในหลักให้พวกเราสังเกตตัวเองก็แล้วกันไม่ต้องอ้างอ้างอิงถึงทาคำสอนของพระพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ให้มองดูตนเองถ้ามีสตินะถ้ามีสติมองตนเองมองใจของตนเองแต่ละวีแต่ละวันแต่ละเวลาเวียงซ้ายเวียงขวา โมโหโกธาโกรธหน้าโกรธหลัง ล, ลักนุ่นลักนี่รักทั้งรักทั้งชังจิตที่เป็นกุศลก็มีจิตที่เป็นอกุศลก็มีถ้าเรามีสติสัมปชัญญะในตัวเองเราจะรู้ได้งั้ขอฝากไว้กับพวกเราทุกๆ ท, ท่านนะวันที่สามวันที่สมเป็นวันสวดม น, นวันที่สี่เป็นวันถวายพัฒหารทำบุญรวมญาติอุทิศสมกุศล ต่อผู้มีอุปกระคุนของวัดเรานะอันนี้ก็คือการแจ้งข่าวให้พี่น้องศรทาญาติโยมทั้งหลายได้ทราบร่วมทวนหน้ากันนะต่อนน้ไปพระสงฆ์อนุโมทนาให้พร